บัรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุกปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ทรงสอนให้ตั้งสติตามลึกรู้ธรรมในธรรมโดยทรงจำแนกธรรมทั้งปวงไว้ในกลุ่มของธรรมาเหล่านี้ เมื่อวันก่อนได้พูดถึงธรรมะในแง่ของทุกข์สัตว์ที่จะใช้คำว่าปัญญาตประธรรมซึ่งมีการแนะนำให้บุคคลมองธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นๆโดยเห็นประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงในจุดนั้นเสียก่อนและจากนั้นจึงมองขยายไฟที่ธรรมะซึ่งมีลักษณะเดียวกันแต่อยู่ในส่วนอื่น โดยให้เห็นเป็นความอย่างเดียวกันให้เห็นเป็นอย่างเดียวกันตำหลักของสิ่งที่เรียกว่าสามัญลักษณะซึ่งคนนี้ท่านสาธารชนทั้งหลายคงจะนึกออกว่าพระพระุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในช่วงที่สี่ในช่วงที่สามของอนัตตลักษณ์กันในที่นั้นทรงยก อ, อกขันทั้งห้าประการ ดังนั้นที่จริงก็คือสิ่งทั้งหลายสมองในแง่นี้ก็คือขันทั้งห้าแต่ว่าในขันห้านั้นก็มีทั้งรูปทั้งนามเฉพาะในส่วนรูปก็ได้แก่พวกกลุ่มของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นกลุ่มของนามาังั้นธรรมะเหล่านี้เฉพาะที่เน้นก็คือเน้นที่ส่วนซึงเป็นกลาง ที่ตกอยู่ในกฎของปัจไรลักษ์จะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่แม่แต่นามซึ่งเป็นส่วนกุศลและอกุศลก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าเฉพาะในที่นี้สรงเน้นไว้ในที่อื่นคือในกลุ่มธรรมะเหล่าอื่นกระสงฆ์จะนกแสดงไว้ทั้งสามกลุ่มดังกล่า การศึกษาเรียนรู้หาความเข้าใจที่จริงก็แนวเดียวกับที่เราสวดใ น, น, ป, ใ น, ใ น, น ป, ปินาปินปิาปจุเวกขณะเพียงแต่ว่าอปินหาปัจุเวกขณะที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เป็นต้นนั้นเป็นการมองภาพเต็มรูปือมองคนแก่มองสัตว์แก่มองสิ่งแก่มองบ้านอาคารต่างๆที่เสื่อมสลายไปเอามาเป็นบทเรียน ที่จริงการเรียนนั้นจะมองที่จุดใดก็ได้ขอหเห็นจริงตามนั้นไปก่อนและในที่สุดก็จะย่อยจากจุดนั้นเองเจะาอาจจะมองผมจากด้านหนึ่งของศรีรษะจะเมื่ก่มันเคยดำแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นหงอกขาวและในสุดก็ร่วงหล่นไปจะอาจจะมองกลับมาอีกด้านหนึ่งของศรีรษะเราด้านหน้าด้านหลังด้านเหนือศรีรษะ กปจะเห็นความเป็นอย่างเดียวกันก็แสดงว่าเป็นการเห็นธรรมในธรรมคือดูดธรรมในธรรมคือมองธรรมตัวหนึ่งแล้วไปเชื่อมกับธรรมอีกตัวหนึ่งแล้วในสุดก็จะเห็นความเป็นอย่างเดียวกันของธรรมเหล่านั้นดังนั้นความคิดก็จะกระจายไปสุดมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเช่นยกตัวอย่างรูปอย่างที่ว่า ไม่ว่าจะรูปที่เป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามยาบก็ตามละเอียดก็ตามเลวก็ตามปฏิิก็ตามอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามล้วก็เป็นอย่างเดียวกันคือไม่เป็นทั้งของเราที่แท้จริงไม่เป็นทั้งเราที่แท้จริงและไม่เป็นตัวตนของเราที่แท้จริง เป็นการเจาะลรกเอาหาความจริงอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าความจริงที่แท้จริงแต่โดยพื้นจิตในเบื้องต้นคนก็คงไม่สามารถที่จะทาได้ระดับนั้นได้ในตอนต้ตนจึงทรงสอนให้มองจากน้อยก็ปรับใจให้รู้เท่าทันเวลาแก่แสดงอาการที่แท้จริงของแก่ออกมาจะมีความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นเรื่องใหญ่ แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะจึงอาจจะเกิดขึ้นแก่รูปแ ก, ปแกป่นามที่ปรากฏในขณะนั้นๆแต่ลองสังเกตว่ามันก็ลักษณะการเคลื่อนไหวคลายๆกับทางกายของเราจะเราขึ้นกิ่งไม้กิ่งหนึ่งพอกิ่งนั้นหักเราก็เกาะกิ่งอื่นพอกิ่งนั้นหักเราก็เกาะกิ่งอื่นไปเรื่อยๆมันใจเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เดืถ้าเรามองเห็นเฉพาะจุดใด จ, จุดหนึ่งเพียงจุดเดียวในสุตใจมันจะ้าไปหาจุดอื่นและศาสตร์ใดที่สิ่งนั้นยังไม่แสดงอาการแปรปลวนให้ประจกรักษ์ชัดก็เกาะยึดจิตอยู่ในจิดนั้นไปก่อนแล้วพอสิ่งนั้นเริ่มสแสดงการเปลี่ยนแปลงแปรปลวนไปเราก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นดูง่ายๆง่ายๆแกคล้ายๆกับรับประทานอาหารเรียนว่า เราก็ทดลองไปเรื่อยๆให้สุดใจมันจะคว้าอาหารที่ทอร่อยที่รู้สึ ก, กว่าอร่อยทดลองถ้วยนี้แล้วจะรู้สึกไม่อร่อยก็เปลี่ยนไปถ้วยอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คว้าไปเรื่อยๆการบริโภคอาหารแทนที่จะบริโภคก็ ย, อ ย, อยังอัตภาพชีวิตจะเป็นไปก็กลายเป็นการบริโภคด้วยตัณหาตัณหาก็ผลักใส่เสือกสายเราให้ดิ้นรน วัดแขวงไปตามอนาจของตัณหาในอาหารเอาเฉพาะอย่างเดียวก็หนักแล้ววันเวลาสอนพระเจ้าจึงสอนให้ดูในจุดเล็กๆให้ได้สักก่อนแล้วก็โยงก็ไปหาส่วนอื่นอันดีที่จริงก็ดูง่ายเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเกิดแล้วก็ดำรงอยู่แล้วและแกดับไปแล้วทั้งในอนดีตทั้งหมดแต่ก็จริงปรากฏว่าใจคนไม่ได้เป็นอย่างนั้น ใจคนไม่ยอมรับความดับของอารมณ์บางอย่างในอดีตเราจึงระลึกถึงสิ่งหรือคนที่เรารักในอดีตเราลึกถึงสิ่งหรือคนหรือสัตว์ที่เราไม่รักในอดีตแล้วเก็บมาเป็นความฝ่ายขวัญเป็นความอาคตาพยาบาทเป็นความผูกเวรให้เราสังเกตว่าสิ่ ง, งนั้นจริงดับแล้วตายไปแล้วหมดไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ เติใจคนไม่ยอมปล่อยสิ่งที่ดับไปแล้วความใจจึงอาจจะโศกอาจจะเพลิดเพลินอาจจะยินตีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ในอนาคตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่จริงก็ยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เป็นยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่เป็นเพราะฉะั้เมื่อเราเห็นปัจจุบันไม่สวยไม่งามอย่างนั้นหรือเป็ของแตกดับอย่างนั้น ถ้าไม่ยอมมองที่อนาคตใจก็ไปเกาะอยู่ที่อนาคตฝ่ายควากนาก็สัญญากต่ออารมณ์ที่จะได้จะมีจะเป็นในอนาคตแต่ความคิดที่จะปล่อยสละละวางมันเกิดขึ้นไม่ได้หรือแม้แต่จะเห็นได้มันก็คว้ารูปที่ประณีตรูปหยาบเราอาจจะเห็นว่าไม่สวยไม่งามเราก็คว้ารูปที่ประณีตก็ทํานองเดียวกับการรับประทานอาหารในกล่าว อาหารจานนี้แม่ร่อยมันก็เปลี่ยนเป็นจานอื่นจานนี้แม่ร่อยอีกก็เปลี่ยนเป็นจานอื่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยนั้นคืออีกช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็เป็นคําสอนอีกระดับหนึ่งที่พระเจ้าทรงมีคําสอนระดับที่เรียกวัวตถกรรมีกุศลซึ่งท่านสาธุชนจะสังเกตได้ว่าสภาพจิตของคนที่จะมุ่งมั่นในรูปวัตถกรรมีกุศลคือฝ่ายฝันที่จะได้จะมีจะเป็นภพชาติประนีต น, นที่จริงมันก็มีลักษณะ ตอบสนองความต้องการของตนคือตรงนี้แม่หล่อยก็เปลี่ยนเป็นจานอื่นไปเรื่อยๆไม่ยินดีในสภาพของความเป็นมนุษย์ก็ปรารถนาความเป็นเทพในชั้นต่างๆเรื่อยไปเอเป็นเทพแล้วเกิดไม่ยินดีในความเป็นเทพในชั้นนั้นๆก็แสดงเป็นรูปของโพรโมโลกที่มีความประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆซึ่งในแง่ของความจริงที่แท้จริงมันก็เป็นพบเป็นชาติ ยังมีตันหายังมีมานะยังมีทิฐิอยู่แต่ถ้าดูถึงสภาพจิตแล้วมีความจางไปมีความคลายไปมีการบรรเทาไปของกิเลสเมื่อกิเลสเกิจางไปคลายไปบรรเทาไปเบาไปภพชาติของมุคคลก็ประนีตขึ้นเป็นสุขขึ้นนั่นเป็นการแสดงถึงความสุขระดับสังสารวัฏ มีลักษณะการสนองตอบความต้องการของบุคคลที่กระสันอยากไปเรื่อยๆคือลองไปเรื่อยๆเปลี่ย น, ปยนไปเรื่อยๆก็เอาให้เปลี่ยนมีทิศทางก็แล้วกันก็ถือว่าเป็นการระดับตัวแต่งพบชาติได้ประณีตขึ้นเพราะกประณีตขึ้นชาติก็ประณีตขึ้นแต่เมื่อเกิดจากจิตที่ประณีหมายความว่ากิเลสมีแต่กระจางลงไปเก่าเบาลงไปความสุขเราก็เกิดเพิ่มขึ้น ซึ่งการมองในลักษณะนี้ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมองดูจิตของเราเองที่ในบางช่วงที่มีกิเลสเราจะเห็นอาการหนักอึ้งของอารมณ์ที่เราเก็บกดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นความจังหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับรักจังเช่นวความอาฆาตพยาบาทความห่วงใหญ่ความอาลัยความโหยหาต่างๆ แม้สิ่งนั้นจะไม่ปรากฏในที่นั้นแต่ใจเราไปเกาะอยู่ในที่นั้นเราอาจจะเกาะที่ลูกที่หลานซึ่งอยู่ไกลในต่างประเทศอาจจะเกาะอยู่ในอารมณ์ในอดีตซึ่งผ่านมาทั้งย0 3 0บสสปีแล้วหรือจะฝ่ายขวันถึงอารมณ์ในอนาคตคล้ายๆกับปลูกต้นไม้เอาไว้อีกเจ็ดปีจะมีผลก็ฝ่ายขวัญจะกินลูกอีกเจ็ดปีข้างหน้า ใจมันก็มองด้วยความอยากอยู่ตลอดตั้งเจ็ดปีแต่ถ้าในช่วงตรงนี้แหละมันเกิดมีสติปัญญาขึ้นพินิพพิจนาเราก็จะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าอีกตั้งเจดปีจริงจะมีลูกเพราะงั้นตอนนี้ไม่ต้องอยากกินลูกจะทำยังไงให้ต้นไม้ก็จะเริ่มเติบโตสามารถออกลูกออกดอกออกผลได้ในเมื่อถึงคราวที่จะออกดอกออกผล มัความกระสัญอยากในอนาคตในผลซึ่งเกิดขึ้นในอนาคตก็จะเ่าลงใจผู้คนแทนที่จะคว้าปรารถนาจะกินผลของต้นไม้เหล่านั้นอีก7ดปีข้างหน้าก็มาอยู่ที่ปัจจุบันมาดูแลใจใส่กิจการที่ควรทำในปัจจุบันหรือแม้แต่ญาติพี่น้องลูกหลานทรัพย์สินของต่างๆซึ่อยู่ในสถานที่ไกลถึงโดยสภาพ ปกติแล้วใจก็คงจะข่อยคว้าอยู่แต่ถ้าหากก็มองในแง่ของความจริงที่ชัดเจนมากขึ้ น, น, นก็จะมีคําถามที่ให้บุคคลเหล่านั้นตอบแล้วหาความจริงที่ถูกต้องให้บังเกิดขึ้นภายในใจก็สงบใจได้จะยกตอย่างความคิดถึงด้วยความห่วงใยสติสัมจัญญาก็จะเกิดขึ้นกระซิบใจว่า คิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงลกูกคิดถึงหลานคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดไปเพราะอะไรเพราะควาใหญ่ต่อความเป็นอยู่การศึกษารัเรียนอากาศโรคภยัยแคจะเป็นต้นของลูกไปแล้วแต่จะต่อแต่เราทอนถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญาก็จะถามใจเราว่าคิดไปแล้วเราแก้ปัญหาอะไรได้ไหมเราก็จะได้คำตอบเราแก้ไม่ได้ ไปจริงแล้วมันก็อยู่คนละกาละโคนละเทสะคนละสถานที่กันซึ่งลักษณะาอารมณ์เหล่านี้มันสังเกตว่าบางครั้งเราอาจจะคิดไปข้ามข้ามโลกไปที่เรานอนอยู่ในกลางคือนอากาศหนาวก็วเกิดเป็นห่วงบรรยายว่าลูกคงจะหนาวด้วยถึงมาที่จริงอีกฟางหนึ่งเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นมันก็เป็นกลางวัน แล้วสมมติเราเขาหนาวจริงเราก็แก้ไขอะไรเขาไม่ได้เพราะใจมันก็ตัดจะอยู่ด้วยปัจจุบันคืออยู่ได้อารมณ์ขณะนั้นในปัจจุบันแม้อารมณ์ในอดีตก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้อารมณ์เหล่านั้นอาจจะน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจอย่างไรก็ตามแต่กาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วแล้วก็ดับไปแล้วเราจะเรียกร้องอยังไงก็คงจะเรียกร้องมาไม่ได้ เรียร้องมาไม่ได้ก็กำหนดจิตอยู่ที่ปัจจุบันทำให้อาการแล่นไปสายไปวิ่งไปหรือกระสับจนถึงกระสับกระสายควาจิตก็สงบลงและเป็นการช่วยในลนักษณะบรรเทาแต่การบรรเทาเหล่านี้จะพบว่าคือแทนที่กิเลสจะครองใจมันกลายเป็นธรรมะครองใจคือสติสัมปชัญญะความเพียรพยามังเกิดขึ้นครองใจ กิเลสแก่แทรกขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็เข้าไประลึกรู้วินิจฉัยตัดสินอาจจะไม่ถึงกัลละได้แต่ก็บรรเทาความรุนแรงลงไปได้นี่ก็คือเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่ามีความรู้เท่าทันทั้งความจริงลักษณะเหล่านี้ก็ทรงสอนในธรรมะกลุ่มอื่นเช่นวากลุ่มของพวกอกุศล ก็จะทรงใช้คำว่าธรรมเมสุธมานาปสีวิหารติเหมือนกันคือหมายความมาตั้งสติตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายในตอนห ย, บยาบๆตอนแรกๆเนี่ยอาจจะดูในรูปธรรมก็ได้จะดูอาการที่ปรากฏต่างๆอีกการต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลอาจจะดูตรงไหนก็ได้ตัวอย่างเช่นเราจะดูเรื่อง วรรณคดีที่ศึกษาเราเรียนมาดูกระแสของอกุศลที่เกิดขึ้นจากจุ ด, ดเล็กๆซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเชื้อโรคเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วต่อไปก็แพร่ยขยายไปเรื่อยๆสาบใดที่ไม่หยุดอาการแพร่ของเชื้อโรคออกไว้อาการแพร่มันก็แพร่ไปไเรื่อยๆจะในรูปของโรคติดต่อทั้งหลายคือเชื้อโรคติดต่อทั้งหลายกั ขาวโรคระบาดเป็นต้นทั้งที่จริงมันก็มีลักษณะเดียวกันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจคนมันเริ่มจากใครคนใดคนหนึ่งมาก่อนคล้ายๆกรเชื้อโรคติดต่อเนี่ยมันเริ่มจากใครคนใดคนหนึ่งมาก่อนแนท่สุดเราไม่หยุดในจุดนั้นมันก็มีการแพร่เชื้อไปจนกลายเป็นโรคระบาดในที่สุดเราจะมองจะจุดอะไรฉันอาจจะมองจะจุดเรื่องของรามาเกียน ซึ่งเป็นอาการของธรรมะที่เป็นรูปธรรมแล้วแล้วเราจะเห็นอาการแพร่ระบาดของกิเลสประเภทนั้นอาจจะมองจากจุดที่พระรามต้องออกไปเดินป่าโดยจนว่าเหตุที่ให้พระรามต้องออกไปเดินป่านั้นที่จริงมันมาจากความอาฆาตที่ยิงมขอมซึ่งโกรธพระรามในสมัยที่ยังเป็นราชกมุมารยังเด็กๆอยู่ แต่ตัวเองมีอนุภาพน้อยมีศักดาน้อยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะันมาถึงคราวที่จะให้เระพลดไปคลองเมืองไกก็ยัดเยียดไอความโกรธของแกเนี่ยไปไว้ในใจของนางไก่ใเกษีเราจะเห็นว่าเป็นอาการระบาดของเชื้อโรคกิเลสเป็นการแพร่เชื้อเข้าไปทีนี้เชื้อข้องความโกรธเนี่ยให้เราสังเกตว่าใ ก, กล้กับษยา เราก็ดูสภาพจิตที่ประกอบด้วยดิษยาเช่นสมมติว่าลูกหลานของเรามีความเจริญก้าวหน้าประสบความสมําเร็จเราไม่ริษยาทําไมไม่ดิษยาเรามีมุติตาทําไมมุติตาเพราะเรามีความรักในลูกหลานในญาติพี่น้องของเราแต่ถ้าคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เป็นกลางๆแล้ว เ, เกิดได้ดีล้าหน้าออกไปด้วยจะเกิดความโกรธหรือความริษยา ความริษยานั้นเป็นอาการเจือกันของความโลภ ก, กับความโกรธคือเราใช้ฝ่ายไหนเข้าไปเจาะก็ได้ไปยุให้โลภ ก, ก็ได้ยุให้โกรธก็ได้พร้อมที่จะลุกออกมาเปลี่กิเลสพร้อมจะลุกออกมาเป็นริษยานั่นกายเกษตี่จริงแกก็มีความรักในพระรามในรพระโพจิ์คือลูกทุกองแต่เอาก็จริงแล้วคนเราก็มีความโลภมันไมจ้องลอดด่อโดยโลภ เร่ต้องการให้เกิดการแข่งดีต้องการใจลูกตัวเองจะเป็นพระเจ้เป็นดินทีนี้คนเราจะโลภมากได้เนี่ยมันต้องคู่ด้วยความกลัวขู่ด้วยความกลัวจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคุณจะเป็นอย่างนี้เนี่ยในที่สุดคนก็จะโลภเพราะ ว, วิธีการเหล่านี้จึงได้ผลแล้วก็ออกมาเป็นการแพร่เชื้อโรคระบาดออกไปเรื่อยๆจนเข้าไปสู่จิตใจก็นางกายเกสีเต็มที่ก็ออกคิดออกฤทธ์ออกแรง นั่นคือเห็นธรรมในธรรมอย่างหนึ่งที่ก็มองดูความริษยาที่เกิดขึ้นภายในใจเราเราจะเห็นว่าอาการริษยานั้นก็คืออาการของความโลภที่เกือด้วยความโกรธโดยอาศัยความหลงที่หนุนอย่างต่อเนื่องคือถ้าความหลงไม่หนุนอย่างต่อเนื่องเราก็คงจะโกรธจะโลภอยู่ได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะว่า คนเราจะริษยาในคนที่ประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าที่เรียกว่าได้ดีกว่าเราแคนที่ต่ำกว่าเราที่ด้อยกว่าเราคนที่เป็นโรคเรื้อนคนที่เป็นเจ็บไายได้ป่วยคนที่เป็นมะเร็งเป็นโรคเอชอะไรก็ตามไม่มีใครริษยามันจะริษยาเฉพาะคนที่ได้ดีกว่าเราทําไมจึงไปริษยาเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นใะเอง แต่ทีนี้ถ้าหากไอความอยากได้นั้นถ้าหากว่าโขนก็เราได้โขนก็เราได้เราจะไม่ริษยาแต่เราจะเกิดเป็นมุติตาเพราะเรารู้สึกว่าเรามีส่วนได้ด้วยอย่างน้อยก็โขนก็เราได้ญาติพี่น้องก็เราได้พ่อแม่ก็เราได้เป็นต้นอันนี้ก็คืออาการของจิตที่เวลาเกิดขึ้นมันก็แสดงอาการเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นที่ใจก็นังกายเกษีเมื่อกี่พันปีมาแล้วก็ไม่รู้มันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละ พอเกิดขึ้นที่ใจเราก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันที่ความหักเหความรุนแรงของแรงริษยาของเพงลืงริษยาเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของไฟที่เกิดขึ้นถ้ามีการเพิ่มเชื้อไปบ่อก็ลุกไหม้ได้ีเ่เดียวจะเชื้อมันมอดลงไปความรุนแรงของไฟก็จะลดต o w ลงไปแรงริสยาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นสมมุติว่า ใครคนไดคนหนึ่งจะเกิดได้ดีขึ้นมาเราเกิดแข่งดีแล้วพอดีคนคนนั้นไปอยู่ในที่อื่นเราไม่ได้ยินข่าวคราวของกฎ น, นั้นเกิดเรื่องริศยาก็ไม่มีเชื้อได้รับในสุดความริศยาในบุคคลนั้นก็จะหายไปไปจะหายไปจากใจเพราะเราก็มาดูภายในใจของนางกายเกษีก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะพระรามหายไปจริงๆปรากฏว่า แรงดิษยาขาดเชื้อไม่ได้มีเชื้อเข้ามาโหมกระหน่ำให้เพลิงดิษยาลุกไหม้ต่อไปในช่วงแรกมันก็กลายเป็นความเฉยๆยไปก่อนต่อมาถูกคุกคามถูกบีบคั้นจากพระโอรสจากพระราชวงศ์จากพระสวามีจากขาราชบริพานต่างๆจิตใจมันก็อักเสเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเปลี่ยนเป็นสำนึกบาปที่ตนได้กระทำเอาไว้แล้วก็กลายเป็นอะไรโหยขา ทุกเศร้าตรอมตรมอยู่ภายในใจิตใจก็ตลอดการอย่างนั้นนั้นก็คืออาการของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอํานาจของอารมณ์จากข้างนอกบ้างจากตัวเชื้อที่มีอยู่ภายในบ้างอาการเหล่านั้นคือธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในใจบุคคลหนึ่งพี่จึงบุคคลได้ก็ได้แล้วถ้าหากว่าเกิดขึ้นภายในใจเรามันก็จะมีลักษณะอย่างนั้น กิเลสสายนี้คือธรรมะสายนี้จะส่งสอนในบุคคลมองในแง่ของความเป็นโทษคือผี่คือกลุ่มแรกกลุ่มแรกนั้นมองให้เห็นถึงสภาวธรรมเพราะมาเป็นอย่างนั้นแหละคือจะอยู่ในยุคใดสมัยใดคือก่อนจากพระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่แต่โลกเองก็อยู่ในกฎเหล่านั้นแต่ในกลุ่มของกิเลสนั้นส่งสอนให้มองในแง่ของความเป็นโทษ นั้นคำสอนในรูปของชาดกต่างๆรูปของนรกรูปของเปรตรูปของอบายทั้งหลายเนี่ยตลอดถึงอเวจีมานรกเป็นต้นนั้นที่จริงก็คือธรรมะต้องการให้เห็นธรรมะในธรรมะทั้งหลายแต่ว่าสอนดับพื้นๆไปก่อนคือไม่ได้เจาะละเอียดแยกขนาดจิตเกิดูไปเห็นว่าอากุศลเหล่านั้นที่จริงแล้วไม่ได อำนวยผลให้เกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นนำบายเกิดตกนรกเกิดในกำเนิดสัตย์ชานเกิดเป็นเปรตอย่างเฉพาะคนนั้นเท่านั้นคนใดก็ตามที่ทำอย่างนั้นก็จะตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเหมือนกันมันเราจะพบว่าสัตรนะรกที่ทำบาปประเภทเดียวกันก็ตกนรกด้วยกันเปรตประเภทเดียวกับเปรตที่ทำบาปประเภทเดียวกันก็ตกเป็นเปรตด้วยกันเป็นต้น เพื่อต้องการอะไรต้องการให้คนมองเห็นโทษมองเห็นโทษซึ่งที่จริงมันอยู่จากจิตเขกากอดนรกเปรตอสุรกายสติรฉานั้นจริงๆเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุตัวเหตุจริงๆมันเกิดจากอกุศลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลแล้วก็ปรุงแต่งจิตของบุคคลให้คิดไปตามกิเลสเหล่านั้น ก็คีเลต่างหลายก็เหมือนกับสีที่ใส่ลงไปในน้ำมันก็เปลี่ยนน้าให้เป็นสีไปต่างๆแลใน่สุดก็คุมไว้ไม่หยุ่มก็ออกมาทางกายทําให้กายทุจริตออกทางวาจาก็ทําให้วาจาเป็นทุจริตสิ่งที่ทําจะเป็นบาปเมื่อเป็นบาปตัวเองก็เดือดร้อนในขณะนั้นๆอาจจะดูใครก็ได้ดูคนติดคุกก็ได้ดูที ไ, ได้ แล้วก็มีธรรมะที่ปรากฏให้เห็นแต่หมายความว่าดูอาการที่ปรากฏแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปสู่เหตุที่ให้อาการเหล่านั้นปรากฏจนคนหน้าตาทะมึงทึงแสดงอาการหดร้ายรุนแรง น, น, นั่นคืออาการอาการของธรรมะแต่ว่าตัวไหนที่เป็นตัวสแสดงอาการเหล่านั้นก็คือโทสะหรือพยาบาท แล้วก็มองกลับมาที่โทสะหรือพยาบาทล่านั้นเมื่อเกิดที่ใจของบุคคลนั้นทําให้หน้าตาของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วสักถ้าเกิดที่เราอ่ะถ้าเกิดที่นายก่อนนายขอเกิดที่ใครหรือแม้แต่เกิดที่สัตว์มันก็คือกันก็คืออาการอย่างเดียวกันจะแสดงออกมาในรูปทุจริตทางกายบ้างทางวาจาบ้างในใจจะแรงหรือไม่แรงเราขึ้นอยู่กับตัวแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตคือแรงนั้นต้องเกิดขึ้นที่จิตไม่จะเกิดขึ้นที่กายกันกว่าจา กากระทำมันถูกปราดดันมาจากจิตเท่านั้นเองและด้วยบาปกรรมเหล่านั้นในสูตรก็น่วงเหนียวข้นเข้าไปสู่นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆเพราะงั้นเวลาทรงแสดงในในในพิสูตรแนวนั้นทั้งหมดเป็นการสะท้อนจากอาการเช่นพระโมคคัลลานะไปเห็นเปรตมาแล้วก็มากราบทูลถามก็แสดงว่ากาวความเป็นเปรตนั้นเป็นผล เป็นการปรากฏที่พระโมคคัลลานะท่านไปเห็นมาแล้วมากราบทูลถามรพระพุทธเจ้าถึงเหตุถึงเหตุที่ทำให้บุคคลนั้นตายและไปเป็นเปรตพูุ้ทธเจ้าก็จะย้อนกลับไปเข้าไปสู่จิตจิตของเปรตตัวนั้นแต่ในชาติก่อนนะที่ถูกปรุงด้วยกิเลสแล้วทำออกไปได้ประการต่างๆในสุดก็เป็นผลเรียนวยความทุกข์ให้ในขณะนั้นในขณะที่เขาทาในอดีตการ เป็นทุจริตออกมาทางกายทางวาจาเป็นผลในการเบียดเบียนมรทุสร้ายบุคคลอื่นมาเพราะนันความทุกข์เหล่านี้ที่จริงมันเป็นผลส่วนหนึ่งในบรรดาผลทั้งหลายที่ท่านรับมาแล้วและนั้นเวลาแสดงกรรมก็จะแสดงแนวเดียวกันคือกรรมที่เราจะพบจะเห็นผลในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมะเวทนากรรมที่จริงคําว่าทิฏฐธรรมะเวทนีกรรมนั้นก็ทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีเฉพาะในที่นี้พูดเรื่องไม่ดี แต่ส่วนหนึ่งก็ยกยอดไปให้ในโอกาสต่อไปก็เรียกว่าอุปปัชชเวทนิยกรรมนั้นคืออาการต่อเนื่องถึงท่านสาธุชนทั้งหลายเจ่นนไม่ใช่สอนแนวไหนก็ตามที่จริงก็ต่อเนื่องกันว่าช่วงไหนเป็นเหตุช่วงไหนเป็นผลท่านนั่นเองเพราะการเกิดในนรกหรือการเกิดเป็นเปรตของบุคคลเหล่านั้นที่จริงแล้วมันเป็นกรรมอีกประเภทหนึ่งท่านั้นเองคือเป็นอุปปัชชเวทนิยกรรมเป็นกรรมที่ให้ผลในภพชาติต่อไป แต่ทีนี้ถ้าหากว่ า, าการเป็นเปรตนั้นเป็นผลที่ก็เรียกว่าเศษกรรมจากนรกก็แสดงว่าเป็นอปรารภวิธนยกรรมคือกรรมที่ให้ผลสืบเนื่องมาจากชาติก่อนโน้นจากชาติที่แกทำกรรมหลกรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรกแล้วก็กลายมาเกิดเป็นเปรตนั่นเองบุคคลก็จะมองเห็นเป็นกระแสที่มันไหลต่อเนื่องกันไปทำนองคล้ายๆกับน้นําขุนจากบนมนก็ไหลลงมามันก็ขุนมาเรื่อยๆ ก็ไม่จะขุนตรงนั้นที่จริงมันขุดมาจากข้างบนแล้วความคุณที่ปรากฏในขณะนั้นที่จริงเป็นส่วนหนึ่งของความคุนที่ไหลามาเท่านั้นเองวันการมองธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตเราหรือจิตคนอื่นก็จะเห็นความเป็นอย่างเดียวกันว่าบรรดาอาคุศนทั้งหลายนั้นจะมีลักษณะอย่างที่ทรงข้ามทรงแสดงเอาไว้ในที่ต่างๆเช่น ค, ความชั่วร้ายอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะทําแล้วจะต้องเดือดร้อนใจ ความชั่วนั้นจะตามแผดเผาในภายหลังได้ความชั่วจะเหนี่ยวงวงเหนี่ยวไปสู่นรกได้ถ้าจะทำบาปจริงๆก็จะทำบาปบ่อยๆเพราะการทังสมบาปนมความทุกข์มาให้ปิตุ้นเนี่ยหรแต่ละอย่างก็เป็นการแสดงเห็นถึงธรรมในธรรมคือธรรมในธรรมประเภทเฉพาะในกรณีนี้ก็คือประเภทของอกุศล ว่าจะเกิดขึ้นแก่เราหรือเกิดขึ้นแก่เขาเกิดขึ้นในอดีตการเกิดขึ้นในอนาคตการอย่างไรก็ตามจะมีอาการอย่างนั้นจาลองคล้ายๆกับไฟในวันนี้ร้อนไฟในอดีตมันก็อร้อนไฟในอนาคตมันก็ร้อนมันอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนร้อนมากร้อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของไฟใจของบุคคลจะร้อนมากร้อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกิเลสที่บุคคลนั้บังเกิดขึ้นแต่เมื่อกิเลสบังเกิดขึ้นแล้วจะไม่ร้อนนั้นเป็นอันไม่มี วันเมื่อบุคคลได้มองเห็นโทษไปจากชาัดแก่ใจแล้วก็จะเปลี่ยนดลละบันเทาให้สงบระงับดับหรืออย่างน้อยที่สุดก็ลดความรุนแรงลงไปใจก็จะสัมผัสความสุขได้ตามสมควรแก่การประพฤฏิบัติเพราะเรื่องของการมองธรรมะนั้นโดยก็ใช้ในเรียบทตั้องปวงมันไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธิอบรมกรรมฐานหลับตาภาวนาเสมอไปคือ เราจะเห็นอะไรก็ได้ที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราจะย้อนกลับไปสู่จิตที่ให้เป็นเหตุให้แสดงอาการเหล่านั้นเราจะเห็นทั้งกุศลและอกุศลซึ่งปรากฏในการกระทําในคำพูดและการแสดงออกของบุคคลเหล่านั้นและถ้าเกิดขึ้นแก่เราก็จะมีอาการแต่เดียวกันก็จะเป็นเหตุได้บุคคลมองเห็นโทษของอกุศลประจักษ์ชัดมองเห็นคุณของกุศลประจักษ์ชัด ได้จะหลีกเว้นสิ่งที่เป็นอกุศลมาเดินในครองของกุศลผลคือความสุขก็จะเกิดขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป